วันนี้จะได้พูดเรื่องกาลามสูตรซึ่งมักจะนำไปอ้างกันไม่ค่อยจะถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ทรงแสดงเอาไว้จะมีปัญหามากแล้วก็มีการกล่าวอ้างกันบางทีก็บอกว่าไม่เชื่อโดยอ้างตำราเป็นต้นซึ่งในที่นี้ใจความตอนต้นก็บอกว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลจนบุตรไปถึงนิคมนิคมหนึ่งชื่อว่าเกสะอุตตะนิคมแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปนั้นพระเกียติคุณของพระองค์ได้แผ่ไปก่อนคนทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงและคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคโดมออกบวชจาก ศักยะสกุลเป็นพระรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สัสรูดีสัสรูชอบด้วยพรุงเองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ปลุกปลุกคนอื่นให้ตื่นจะเป็นกุโรเป็นผู้จำแนกธรรมในยะแห่งพระพุทธคุณที่แผ่ไปนี้จะเป็นการแผ่ไปโดยอาศัยพวกพ่อค้าพวกประชาชนที่ไปในเมืองซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จไปแล้วคนเหล่านั้นก็นำไปเล่าสู่กันฟังเป็นการเล่าจากปากสู่ปากพอต่อกันไปเรื่อย และชาวกาลามะยังรู้ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ น, นั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อยกย่องประธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อเราโดยสรุปหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สามชั้นชั้นแรกก็คือศีลและศีขา ชั้นที่2ก็คือจิตตสิกขาชั้นที่3ก็คือปัญญาสิกขาเราะฉะั้นคำว่างามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็คืองามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิในงามในที่สุดด้วยปัญญาในแต่ละชั้นของศีลสมาธิปัญญาก็มีความถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละจุดของธรรมะเหล่านั้น คำสอนของพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอัถะคือตัวเนื้อความและพยัญชนะคือตัวอักษรที่เป็นสื่อแสดงความหมายเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อที่เรานํามาสวดสรนเสริญพระพุทธคุณกันในเวลาธรรวันเช้าทุกวันในช่วงตอนนี้ก็มีข้อที่ควรทําความเข้าใจในเรื่องของอัถะได้แก่ความหมาย ที่ทรงใช้พยัญชนะเป็นสื่อของความหมายนี่พุทธศาสนิกชนจะต้องศึกษาเข้าใจในรูปของอัฏฐาว่าคำนี้ที่ท่านใช้นั้นโดยอัฏฐะมันหมายความว่ายงงอย่างไรยังยกตัวอย่างเช่นคำว่าเมตตาหรือคำว่าการุณาเป็นต้นซึ่งมป็นคำพื้นๆเราก็ต้องดูในรูปของอัฏฐะ ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเมตตามีขอบข่ายแค่ไหนทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเมตตาทำอย่างไรไม่เรียกว่าเมตตาเป็นต้นแล้วโดยพยัญชนะก็คือคำที่นำมาใช้ข้อนี้บางครั้งบางคราวคำคำเดียวเนี่ยคือตัวพยัญชนะคำเดียวกันแต่ไปวางอยู่ในที่แตกต่างกันโดยอาถาก็ไม่ตรงกันทีเดียวคือจะมีความเข้มข้น ความเจือจางที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าปัญญาที่ใช้ในที่ทั่วไปในชั้นนี้ก็เป็นการรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วบัพปุลคุนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็พอแล้วก็เป็นปัญญาแล้วแต่ถ้าปัญญาที่ขึ้นไปสูงกว่านั้นเช่นว่าระดับของปัญญินทรีคือตัวปัญญาที่เป็นอินทรีนั้น จะต้องเป็นความรู้เห็นถึงาความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายคำมันก็เหมือนกันตัวพยัญช น, ะ, นะเหมือนกันแต่ตัวอัถามีความเข้มข้นที่แตกต่าง ก, กันคือขอบข่ายของท่อยคำได้ครอบคลุมเนื้อหาไว้มากมากกว่ากันหรือว่าอย่างคำว่าอุเบกขาที่เรามากักจะแปลกันว่าวางเฉย จะอยู่ในที่ต่างๆในพระพุทธศาสนาถึง1ิบแห่งด้วยกันในแต่ละแห่งบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นการมองปัญหาในแง่ของข้อเท็จจริงเช่นยามที่คนประสบความพิบัติประการกระทาของเขาเองเป็นความผิดพลาดของเขาเองเราก็ควรจะทำใจใสงบโดยหลักของกรรมคือถือว่าคนเราก็มีกรรมเป็นของตั จะต้องเป็นผู้รับผลข้องกับเป็นต้นอย่างที่เราสวดกันเพื่ออะไรเพื่อคุมใจไม่ให้เกิดความโทมนัสเสียใจในกรณีที่คนซึ่งประสบความพิบัติเป็นญาติพี่น้องของเราแล้วก็ไม่ให้ดีใจในกรณีที่คนซึ่งประสบความทิบัติเป็นศัตรูของเราเพราะทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางเกิดของกิเลส ท, ทั้งหมดเวลาเสียใจมันก็เกิดโทมนัสเวลา ดีใจมันก็เกิดเป็นอภิชาอารุบะทั้งสองฝ่ายเป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสให้แกตัวเองทั้งหมดท่านก็สอนให้วางจิตเป็นอุเบกขาแต่บางครั้งเช่นโพดช้งคูเบกขาเป็นอุเบกขาที่อยู่ในโพชชงเป็นตัวปัญญาได้อุเบกขาระดับฌานเป็นการส ง, งบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้น นี่เราจะเห็นว่าโดยตัวอัถะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยนะฮะไม่ถึงกับทิ้งเลยโดยพยันชนะใช้คําเดียวกันแต่บางครั้งเป็นคําที่แปลกนะฮะยังยกตัวอย่างว่าอากตันยูอากตันยูบางแข่งเป็นชื่อที่แปลกซึ่งโดยความหมายโดยทั่วๆไปเราก็ใช้หมายถึงคนที่ไม่รู้คุณ ความดีที่คนอื่นมีแก่ตนแต่ถ้าไปวางไว้ในที่บางแห่งหมายถึงอารมณ์ของพระอรหันต์ไปไเลยหมายถึงคนที่ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องทางศาสนาท่านจึงมีที่เราเรียกว่านิยามความหมายไว้คำตรงนี้ไปวางตรงนี้ท่านนิยามไว้อย่างไง คนนี้ได้โปรเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยภาษามันก็มีแต่ไม่ได้ไม่ได้มีมากแต่องค์ธรรมเกิดมีมากขึ้นภาษามีจํากัดถ้าจะไปสร้างภาษาขึ้นมาใหม่มันก็พูดกับคนเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องเอาภาษาที่มีอยู่แล้วเนี่ยข้ามมาบัญญัติโดยนิยามใช่ไหมบางครั้งแทนที่จะนิยามเฉยเฉยเราก็เอาคําอะไรไปแปะไว้ข้างหลังบ้างไปแปะไว้ข้างหน้าบ้างโดยคําเดิมเช่นคําว่าทิฏฐิเนี่ย ท่านจะเห็นว่าทิฏฐิมันจะมีทิฏฐิเฉยๆมีสัมมาทิฏฐิเอาสมาาาอามัมาามาไว้ข้างหน้าเอามีมิจฉาทิฏฐิเอามิจฉาไว้ข้างหน้าเอาทิฏฐิสัมปันโนเอา ส, นนสัมปันโนไว้ข้า ง, างหลังก็เพราะคำก็มีคำเดียวทำไงแต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วคนอื่นต้องเข้าใจเข้าใจเราต้องอาศัยพยัญชนะของเขาแต่เราก็นิยาม นิยามความหมายเป็นศัพท์ทางศาสนาขึ้นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสมทรงสมบูรณ์ด้วยทั้งอัฏถะและพยัญชนะบางครั้งจะรับสั่งอะไรน้อยๆไม่น่าจะปฏิบัติได้สมบูรณ์แต่เอาเข้าจริงถ้าปฏิบัติตามแล้วจะได้สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระพระโคจิกะ ท่านผนี้บําเพ็ญเพียรมาเจริญวิปั ส, สนาเห็นไตรลักษณ์เดินมาเรื่อยเสร็จแล้วจิตมันตกบูดหายไปเป็นธรรมดาทุกทีเลยเอกระดับจิตมันขึ้นสูงแล้วก็ตกบูดระดับจิตขึ้นสูงตกบูบต้านหลอดไม่ทราบตะกี่ปีมาแนละ้ขึ้นไม่ถึงสักทีเลก็คล้ายๆกับว่าเวลาเรานั่งทํากรรมฐานเนี่ยใจน้อมเข้าไปจะสงบเป็นสงบประจวบนจะสงบปอดเริ่มตั้งหน่อยเดียวกระตุกกลับ หายไปเลยออกไปนอ ก, นอกอารมณ์กรรมฐานนอกพุทโธหายไปนี่คือลักษณะของจิตถ้าไม่ท่านบอกว่าไอ้จิตที่ไม่เที่ยงแท้อย่างเนี้ยโอกาสที่จะตกนรกมันง่ายเลยครับตามยังไงท่านก็ไปเริ่มนั่งกรรมฐานจเจริญวิปัสสนาและเอามีดโกนไปถือไว้ก็คิดว่าพอบรรลุอรหัตปับ๊บจะเฉือนคอตัวเองไดเลยเพื่อให้ไม่ต้องตกนรกก็นี่ คือความคิดตรงนี้อย่าลืมว่าตอนนั้นท่านเป็นปุถุชนแต้ก็ท่านคิดแบบปุถุชนคิดพอเสร็จแล้วจเจริญกรรมฐานบรรลุไปจนถึงมิปัสนาจริงเสรแล้วบรรลุอรหัสนิพานพอดีไม่ได้เฉือนีไม่ได้เชิญคอหรอกอายุท่านสิ้นประเดีตอนนิพานมานก็เที่ยวสแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของท่านไม่เจอเพราะเห็นว่าเมื่อก่อนความคิดของท่านก็คิดแบบ แบบอยู่ในอำนาจของมารก็ะจะฆ่าตัวตัวตายเนี่ยก็คิดแบบมารกระซิบเลยแต่พอท่านบรรลุไปแล้วปรากฏว่าหาปฏิสนธิวิญญาณไม่เจอคือไม่รู้ไปเกิดที่ไหนก็ปลอมตัวเข้ามาเป็นเป็นพราม ะ, ะมาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านโคติกะไปไหนไปเกิดที่ไหน พระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างเชิญนี่หาที่ปฏิสนธิของโคติกะไม่เจอมานก็เสียใจบังหวนเป็นกลุ่มเมกลอยไปแล้วพระเจ้าก็รับสั่งแก่ภิกษุด้วยประโยคคาถาสั้นๆสองบรรทัดนะแต่ว่าในเชิงการปฏิบัติแล้วถึงนิพพานเลยทรงใช้คำว่าเตสังสมปันนาศีลานังอัปปมาดวิหาริหนังสัมมะดัญญาวิมุตตาหนังมารมกังนาวินตจิท่านั้นนะ คือปรารบการสแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของมานแล้วเมื่อมานไม่ประสบก็ทรงแสดงว่ามานเมื่อสแสวงหาอยู่ย่อมไม่พบผลทางของเตสังสัมปันนาีลานังของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลอ ป, ปมาดะวิหารีนางมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทสมะดัญญาวิมุตตานางจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบสามฝ่ายนะ สามข้อแต่นั่นเองทีนี้เรามาลองดูถึงประโยคที่ทรงใช้ในเชิงของพยัญชนะนก็ใช้คาธรรมดาแต่ว่ามันจะครอบคลุมตัวอัถะไว้คือแทนที่จะใช้รักษาศีลธรรมดาทรงใช้คำว่าสมบูรณ์ด้วยศีลคือจะมีศีลสมบูรณ์จะเป็นศีลหศีลแปหรือศีลอะไรก็ตามบุคคลผู้นั้นจะต้องมีศีลสมบูรณ์ แล้วก็ความไม่ประมาทแทนที่จะพูดเราไม่ประมาทเฉยๆทรงใช้คำว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งก็หมายความว่าไม่ประมาทตลอดคือเราจะเผล อ, อพลั้งพลาดเพียงชั่วขณะไม่ได้เพราะถ้ายังเผล อ, อยู่นี่ก็ยังชื่อว่าประมาทอยู่แม้ชั่วขณะซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าไอ้ความประมาทเนี่ยบางครั้งไม่ขนาดเดียว ขับรถไปตั้งเจ็ดแปดร้อกิโลไม่ประมาทไม่เป็นไรเพราะประมาทนัดทีเดียวเองก็ตกเหวได้ความประมาทจึงเป็นอันตรายทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งว่ายอดของอกุศลคืออกุศลบาปประธรรมทั้งมวลเนี่ยมีความประมาทเป็นยอดยอดมันอยู่ตรงนี้เป็นต้นคขาวของความบาปอากุศลทั้งหมดแต่ในทางตรงกันข้ามกุศลก็มีความไม่ประมาทเป็นยอดเหมือนกันนะ ก็มีอยู่สองยอดสรุปว่ายอดของกุศลก็คือความไม่ประมาทยอดของอกุศลก็คือความประมาทเพราะงั้นทรงใช้แทนที่จะใช้คำธรรมดาทรงใช้คำว่าอัปมาดะวิหารีนางม่ปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นก็มีอยู่สองชั้นนะฮะแสดงว่าเป็นสองชุดที่จริงก็มี3าชุด โดยทั่วไปโดยหลักกว้างก็สงแสดงว่าไม่ประมาทในวัยในชีวิตนะัในความไม่มีโรคมีชุดหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าชีวิตของเราวัยะหรือวยัยนี้แปลว่าเสื่อมนะฮะว่าจริงเราแปลว่าเสื่อมแต่ก็เรา เ, าเรียกอยู่สองช่วงช่วงแรกเราถือว่าเป็นความเจริญวัยทางๆที่ว่าเป็นความเสื่อมที่รูปเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้น ไม่เป็นความเสื่อมอีกรูปหนึ่งภาษาบาลีตั้งใช้คําว่าปฏิชันนชราชรามันปิดชรามันปิดเราจึงมองเป็นรูปเจริญพอเลยกลางคนไปแล้วชราเปิดเป็นความเสื่อมที่ปรากฏแต่ในช่วงความเสื่อมทั้งสองช่วงหรือแม้แต่แต่ละขณะเนี่ยในแง่ของความจริงและความตายมันแฝกอยู่คือมันจะเกิดเมื่อไหร่นี่เราไม่รู้เลย ยังจะเห็นว่าคนบางคนเป็นคนร่ำรวยมีบ้านช่องใหญ่โตบทจะตายมาตายริมถนนเนี่ยเดเพราะเราไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่ความตายมันแฝงอยู่กับชีวิตนั่นเองแต่ยังสอนในประมาทในไหวว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังมีกําลังร่างกายแข็งแรงอะไรแต่ไรเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็ในตัวชีวิตเองท้งแสดงลักษณะชีวิตก็เหมือนกับอะไรถ้าพูดอุปมาในปัจจุบันก็เหมือนกับไอรถที่เขานํา ไปโคไปส่งโรงฆ่าสัตว์แต่สมัยพระพุทธเจ้าแม่โอุปมาอย่างนั้นอุปมาเหมือนก็โคนายโคบาลต้องต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินทุกย่างก้าวที่โคก้าวไปมันก็แสดงว่าใกล้ใกล้จะถานที่นั้นเข้าไปทุกขณะชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นความเกิดก็ส่งมาสู่ความแก่ความแก่ก็ส่งไปสู่ความตายแต่ความตายแก่ก็แฝงมันกับความเกิดก่จะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหรเราก็ไม่รู้ก็สรงสอนแม่ประ ม, มาในชุดนี้ ในช่วงต่อไปก็คือในความไม่มีโรคทั้งหลายจะเห็นว่าโรคภัยค่าเจ็บในปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรงนะฮะบางทีคนอยู่ดีๆเนี่ยเอามาพฤษจับปั๊บเดียวได้เรื่องไลเอามาพาดหมดทั้งตัวซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไรดังนั้นอาศัยฐานความเข้าใจชีวิตคือไม่ประมาทใน3ช่วงนี้แสดงออกมาให้ได้ในเชิงความไม่ประมาทอีกสองชุด ท, ที่ทรงแสดงไว้มาก ก็คือในการละทุจริตทางกายทางวาจาใจนะคืออย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆอย่าถือว่าเล็กไม่เป็นไรทุจริตนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ประมาทในการที่จะบำเพ็ญสุจริตคือจะเล็กๆแลน้อยก็เอาไปเลยในข้อนี้ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนไม่ควรรูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลหรือบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเพราะว่าฝนเนี่ยมันก็ตกลงทีละยา แต่ว่าตกบ่อยๆก็ทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้จันใดจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าสะสมเก็บสะสมความประมาทเอาไว้ในที่สุดมันก็เต็มด้วยบาปถ้าไม่ประมาทมันก็เต็มด้วยบุญได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตัวไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องในข้อนี้เวลาทรงแสดงในรูปของสังสารวัตรนะ ที่พฤติกรรมที่เราเห็นที่ทรงชี้ในจุลกรร ม, มวัิพังตระสุดในมัชฌิมนิกายถึงแสดงถึงลักษณะที่สับสนซึ่งซึ่งเราเห็นในขณะนี้คือว่าการกระทําเขาในขณะนี้มันดูแล้วมันไม่น่าจะเจริญแต่ทําไมคนบางคนมันตายไปเกิดในสุคติได้พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะกุศลกรรมในอดีตมันตามมาทันให้ผลนั่นอย่างหนึง่งเพราะเกิดสัมมาทิฐิขึ้นในขณะนั้น คือก่อนจะตายมันเกิดสมมมาทิฐิขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นมัทธะกุลทลีเทพบุตรตลอดชีวิตมันก็มีพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิจะตายแล้วประ ง, งับประ ง, งับอย่างนี้นะฮะพระเจ้าเสด็จมาโปรดเปล่งรัศมีฉายแสงเข้าไปดูแกหันกลับมายกมือไหว้ก็ไม่ไดนะ้ตอนนั้นจะตายแนละ้วมือยกไม่ขึ้นทำจิตเริ่อสายอย่างเดียวมันเกิดสมาทิฐิขึ้นในขณะนั้นมันก็กลายเป็นตัวแปร ทำให้ไปเกิดในสุคติได้อันนี้มันก็ไปยุติด้วยหลักที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตเศร้ามหมองก็หวังได้ว่าไปเกิดในทุคติเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปเกิดในสุคตินี่ก็คือหลักที่ทรงแสดงฉะ น, นั้นตัวสมาธิทิ่นี่อย่าประมาททีเดียวว่าคือมิจฉาทิฏฐิก็อย่าประมาท ต, ต้องรีบละสมาธิก็อย่าประมาท ต, ต้องรีบสร้างให้ขึ้นจะเป็นหลักคุ้มครองใจได้ทีนี้อีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ ทรงแสดงไว้สข้อเหมือนกันคือระวังใจอย่าให้กำหนับกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนับคือรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจเราไปกําหนดว่าสวยงามน่าคร่ายน่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยถ้าใจเราไปกําหนัดมันก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นปริมาณมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งก็ อาจจะเริ่มด้วยความไม่ยินดีไม่พอใจหงุดหงิดโกรธจนถึงประทุษร้ายพยาบาทอาฆาตจองเวไยมันก็เพิ่มกิเลสสายโุสะเพราะการปฏิบัติธรรมะจะต้องลดกิเลสวิธีใดก็ตามแต่มันเพิ่มกิเลสแล้วต้อ ง, ต, องต้องพยายามปิดและระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงซึ่งก็หมายถึงการพยายามใช้ปัญญาที่ะหลง อะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องยึดหลักของโยนิสูมมสิการทือทำใจโดยวานแยบขายวิเคราะห์พิจิจรณาไปแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออย่าให้มัวเมาในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาซึ่งก็หมายถึงว่าทั้งหลงทั้งประมาทถ้าถึงกับมัวเมามมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นๆท่ น, นเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราบางครั้งถ้าพอหลงพออยังชั่วหน่อย เก็ตกกลับได้ถ้ามัวเมาแล้วมันมันมันบวกมันบวกไปเลยทั้งไอตัวสติก็อ่อนแล้วตัวปริมาณความหลงก็เพิ่มความไอปริมาณความประประมาทมันก็สูงเอ่อเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันต้องอยู่ปกติต้องใช้คําว่าอัปปามะวิหารีนะัคือมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วข้อสุดท้ายก็สามารถดันยามืตตาหนันงจิตหลุดพ้นพราะรู้ชอบ ไอจิตหลุดพ้นควารู้ชอบนั้นท่านจะเห็นว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอะไรมากเลยสมบูรณ์ด้วยศีลนะฮะสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นก็คือสัมมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะแล้วก็เข้าไปในสัมมาวายามะหน่อยพอมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันก็เข้าสมาธิหมดหลุดเข้าสมาสมาธิจนถึงสมาธิทินะแล้วก็ไปเชื่อมที่หลุดพ้นควารู้ชอบมันก็เข้าสมาธิทิฏสมบตร ก็กลายเป็นสมาวิมุตพูดธรรมะสมข้อแต่ว่าแท้จริงแล้วพอปฏิบัติองค์มรรคสมบูรณ์นะครเพราะงั้นทรงยืนยันผลว่ามารจะหาทางไม่พบประเด็นตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นหลักอีกประการหนึ่งซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแสดงนะฮะเดีเราจะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณไปถือกําเนิดที่มารหาไม่พบและพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าที่ไม่พบเพราะเหตุอะไรซึ่งก็หมายความว่าถ้า ท่านโคจิกะท่านไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มาก็ต้องหาพบหากําเนิดพบกำเนิดในที่ต่างๆแต่ว่าพอดีท่านเกิดบรรลุเป็นบรรลุอรหัตเป็นพระหันมาน ก, ก็หาไม่พบจึงหมายความว่ามารประเภทที่เรียกว่าเป็นเทวปุตเทวบุรบตรมาร น, น่ะมีจริงๆนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็มีตัวปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นกลุ่มของกิเลสกลุ่มของตํามนะฮะก็วิญญาณ3าอย่างนจะต้องไปถือกําเนิด ตามสมควรแก่กรรมที่บุคคลได้กระทาเอาไว้สาบใดที่ไอเชื้อกิเลสเชื้อกรรมยังไม่หมดการเป็นว่านยะตายเกิดในสังสาราวัฏจะต้องมีอีกต่อไปอันนี้ก็มาให้ท่านทั้งหลายดูคำว่าอัถฐและพยัญชนะทรงประกาศพรหมจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเฉินะทีนี้คำว่าพรหมจันร์เนี่ยคว่าพรหมจันร์แปลโดยความหมาย แ, แปลว่าการประพฤติอย่างพรหม แต่ว่าเมื่อเราดูถึงลักษณะขององค์ธรรมก็คือการประพฤติดีประพฤติชอบเป็นการเก็บการสะสมความดีไว้โดยลำดับพรหมจารย์นั้นโดยอัดก็คืออย่างนี้อ่โดยพยญัญชนะเขียนเหมือนกันนะฮะเขียนเหมือนกันพรหมจารย่ยงเงี้ยเขียนอย่างนี้ทุกทีแต่ว่าโดยอัดฐะแล้วมันคอบคลายครอบคลุมถึง10ชั้นของการปฏิบัติ พรหมจันท์ในศาสนาจึงมี10อย่างอย่างแรกซึ่งง่ายที่สุดนี่ภายในครอบครัวเราในกระพิษพรหมจันทร์ได้สามีมีความจงรักเอ่ยมีแต่เขาไม่นอกใจภัญญาเป็นพรหมจันทร์เขาเรียกว่าสถารสันโดษปัญญาไม่นอกใจสามีเรียกว่าปฏิวัติคือจงรักภักดีในสามีก็เป็นพรหมจันทร์ทิชั้นหนึ่งก็ถือว่าง่ายที่สุดในชีวิตชาวบ้าน แล้วก็ในตอนต่อไปก็คือเรื่องอะไรเรื่องเมธุนวีรัตคืองดเว้นเมธุธมนธรรมเช่นคารสมาทานศีนุบสุสุดก็เป็นพรหมจรรย์อย่างนั้นเออย่างที่เรื่องเขาเล่าท่านที่มาเกิดเป็นคนดังๆในสมัยพระพุทธเจ้านะฮะเจ็ดองในการผู้หญิงนะั่นแหละท่านในการคือบางองค์ก็บวชบางองค์ก็ไม่ได้บวชนะฮะท่านเหล่านี้เคยประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิต เป็นพรหมจาริณีคือไม่มีคู่ในสมัยประกศาศศปสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยบุญกุศลเหล่านั้นก็ทําให้ท่านมาเกิดในทันพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนสําคัญทั้งหมดเลยนะเคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเจ็นนางวิสาขาพป็นางเขมาพระอุบลวันนาเนี่ยแต่ละคนนี่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาในสมัยประกศาศศปสัมมาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพรหมจาร์เพราะงั้นเมตุนวิราชคืองดเว้นเมตุนธรรมเนี่ยก็เป็นพรหมจาร์ ประการต่อไปก็คืออะไรคือฐานการให้ยากขึ้นหน่อยการบริจาคอย่างที่ว่ามาแล้วก็เป็นพรหมจารย์เบญาวัจจะไม่ช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบซึ่งเป็นบุญประการหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิทธิ์เป็นพรหมจารย์แต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยเหลือเฉพาะในกิจการงานที่ชอบนะไปช่วยลําเลียงฝิ่นไปดูต้นทางก็ขายฝิ่นไม่เอานะไม่ได้เป็นพรหมจารย์คือเอาเฉพาะในทางที่ชอบเท่านั้น ประการต่อไปคืออะไรคืออัปปมัญญานะฮะก็มีสถารสันโดษคือยินดีในพัญญาสามีของการอาของตัวเองนะงดเว้นจากไมถุนแล้ว ก, ก็การให้ทานการช่วยเหลือขวนขวายในกิ จ, จา ก, การงานที่ชอบองค์แห่งอุโบสถอุโบสถศีลคือศีลแปดศีลอุโบสถที่ การสมาทานกันในวันพระก็เป็นพรหมจันทร์แล้วก็อะไรอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาวเบกขาที่เราแผ่ไปแ่ไปในศาสตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็เป็นพรหมจันทร์อีกระดับหนึ่งแล้วก็มาจนถึงอริยมรรณะศีลศีล ศีเนี่ยฮะสีห้าสีใดก็ตามเป็นพรหมจารย์จนถึงอริยมรตมีองค์8มันก็ขึ้นมาเรื่อยอริยมรตมีองค์8ก็คือเป็นที่สรุปคําสอนทั้งหมดนะฮะที่ที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็าศาสนธรรมทั้งปวงคือคําสอนพระเจ้าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพรหมจรย์ั้รนะคําว่าพรหมจารย์จึงเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนสามารถประพฤติพรหมจาร์ได้ การปฏิบัติธรรมในทางศาสนาจึงอยู่ที่กุศลและเจตนาไม่ได้อยู่ที่เพศที่ภาวะของคนเพศมันเป็นองค์ประกอบที่เข้าช่วยเหลือเฉยๆซึ่งก็ไม่แน่บางทีมันก็ทำอะไรไม่สมแก่เพศแก่ภูมิมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันโอกาสกว้างที่เปิดให้นั้นคนเราจะอยู่ในฐานะในเพศภูมิอะไรก็ตามก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระมรดจวายบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงนะฮะขบูลด้วยอัถาและพยัญชนะนี่ก็เป็นเป็นข้อที่จะเรื่องลือไปล่วงหน้าทุกคนทุกแห่งฮนะก่อนการเสด็จของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรท่านทั้งหลายได้ปรดเข้าใจนะไอลักษณะความสนใจของทางสังคมเนี่ยมันเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยกระพือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า ก็นคนสมัยนั้นก็สนใจในทางธรรมะนี่มากลักษณะของอินเดียเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เป็นอย่นั้ น, น, นแม้แม้ในปัจจุบันนะปัจจุบันในกําลังเถท่านใสบาบากันเป็นการใหญ่ไปกันจังนะแล้วแม้แต่อะไรก็ตามนะคนอินเดียชอบฟังมากเลยเป็นคนชาติที่แปลกฮนะชอบฟังสนใจในเรื่องธรรมะฟังได้เป็น10บสชั่วโมงคนระแต่เวลาเขาพูดเขาพูดได้ถึงสิชั่วโมงเหมือนกันนะ อย่างท่านกฤษณาเวณนอน ร, รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยเคยพูดในสภาะช า, ช, าชาติ8ดชั่วโมงรวดคือนักพูดชั้นยอดเราเป็นนักฝังชั้นดีนี่เป็นลักษณะของชาติเขาแล้ยุคสมัยของเขาก็ปัญหาว่าเขาสนใจเรื่องอะไรยุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นเขาสนใจในทางธรรมะนี่มากถ้ามีใครเผยแพร่มีการแสดงสั่งสอนธรรมะแล้วคนจะมุ่งไปที่จุดนั้น บางครั้งบางคราวบ้านเมืองบางแห่งอย่างพระเจ้ากับปีนะกับพระนางอนโนชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินีทั้งคู่นะฮะอยู่ในวังแต่คิดออกจะบวชตลอดทั้งคู่สแสวงหาข่าวติดตามข่าวส่งคนไปสืบข่าวว่ามีพระอราหันต์เกิดขึ้นได้อย่างไหนตรงพอรู้ข่าวพระพระเจ้าเกิดทั้งสององค์สละราชสมบัติพร้อมด้วยอํามาตะผู้ใหญ่หมดออกบวชโดยเสด็จ นี่ก็เป็นลักษณะทางสังคมครเป็นความนิยมของยุคของสมัยเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องตามความฝันของเขาซึ่งเขาต้องการพบคนประเภทนี้มานาดพวกชาวกาลามะที่อยู่เกสปุตตนิคมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เกศปุตตะนิคมก็ก็สรุปคือต่างคนต่างมีความคิดลงกัน ว่าการพบเห็นพระอาหารหันต์ตรสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศัสรูดีศัสรูชอบเช่นนี้เป็นการดีนะเป็นการดีนีล้ลักษณะอย่างหนึ่งให้ท่านทั้งหลายสังเกตไปฮนะว่าความสํานึกในชั้นศีลก็ดีในชั้นฐานก็ดีในชั้นการบําเพ็ญความดีระดับใดก็ตามที่เป็นอุดมกติจริงๆนั้นต้องสํานึกว่าเป็นความดีแล้วทำแต่นั้นเองเป็นความดีแลรร้วทําไม่อิงอาศัยรูปธรรม แต่จะอิงอาศัยนามมาทำเป็นหลักเป็นดีแล้วกระทำครับท่านดูความแตกต่างนะระหว่างความจำนึกสองชั้นคือชั้นหนึ่งเราอิงรูปธรรมเรารู้ว่ามันดีครแต่ต้องอิงรูปธรรมเราจะให้ทานสักชีหนึ่งจะมีการบริจาคอะไรต้องนัดโทรทัศน์นัดหนังสือพิมพ์นัดนะังข่าวมาเต็มเก่อนไม่งั้นยังไม่บริจาคมันอิงรูปธรรมถ้าไม่มีโทรทัศน์มาชั้นไม่ให้ยังไม่บริจาคต้องรอก่อน แต่ถ้าเราอิงนามมาทําก็ถือมันเป็นความดีแล้วทําไม่จําเป็นนะเพราะความดีมันดีเสร็จไปแล้วมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนรู้เห็นเป็นพยานนะไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนเป็นพยานตัวความดีนั้นดีไปเสร็จจะอิงรูปจะอิงนามมาทําเพราะอิงนามมาทําเนี่ยจะพร้อมทําความดีได้ทั้งต่อหน้าคนทับหลังคนทั้งทัศน์ลอดมันดีไปเรียบร้อยแล้วนั่งกรรมฐานจะให้ทานจะรักษาศีล จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรมันความดีก็เรียกว่าเพราะเห็นว่าวันดีอ่ะมันดีแล้วก็าําใครยกย่องสนเสริญใครจะนินทาตาหนิถ้าดีเราก็ทาก็เราอย่างเงี้ยแล้วจะไม่หวั่นไหวไปตามแรงฮะตามแรงยกย่องหรือตามแรงนินทาของคนเพราะถ้าเร า, ถ, าถ้าเราเต้นไปตามจังหวะนินทาของคนหรือยกย่องของคนเรารู้ว่ามันดีฮะแต่ต้องอิงรูปธรรม เราจะให้ทานสักชีนหนึ่งจะมีการบริจาคอะไรต้องนัดโทรทัศน์นัดหนังสือพิมพ์นัดนังข่าวมาเต็มเลยครับไม่งั้นยังไม่บริจาคมันอิงรูปธรรมถ้าไม่มีโทรทัศน์มาฉันไม่ให้ยังไม่บริจาคต้องรอก่อนแต่ถ้าเราอิงนามมาทำก็ถือว่ามันเป็นความดีแล้วทําไม่จําเป็นนะเพราะความดีมันดีเสร็จไปแล้วมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนรู้เห็นเป็นพยานนะครับ ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมีคนเป็นพยานตัวความดีนั้นดีไปเสจ็จะอิงรูปอาจจะอิงนามาทำเพราะอิงนามาทำเนี่ยจะพร้อมทำความดีได้ทั้งต่อหน้าคนลับหลังคนทำได้ตลอดมันดีไปเรียบร้อยแล้วนั่งกรร ม, มาทานจะให้ทานจะรักษาศีลจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรมันความดีก็เรียกว่าเพราะเห็นว่ามันดีอ่ะมันดีแล้วก็าทาใครยกย่องสรเสริญใครจะนินทาตาหนิถ้าดีเราก็ทาก็ลอยเงี้ย และจะไม่หวั่นไหวไปตามแรงตามแรงยกย่องหรือตามแรงนินทาของคนเพราะถ้าเราถ้าเราเต้นไปตามจังหวะนินทาของคนหรือยกย่องของคนจบเหมือนกันคนมันเอาข้อยุติไม่ได้มันชอบมันก็ยกยก่องไม่ชอบมันก็นินทาพระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่ท่านอตุละอุบาสกคนระดับอุบาสกนะฮะ อยากจะฟังเทศจวนเพื้อนจวนหู่มาฟังเทศครั้งแรกก็ไปหาพระเรวัตพรเรวัตตะเป็นพระอาหารหันนะท่านเพิ่งออกจาก่นิโรธสมาบัติพระอาหารหันที่ออกจากนิโรธสมาบัติยังติดในความสงบท่านไม่ค่อยชอบพูดเลยตรงนี้ยเวลาท่านเทศท่านเทศอยู่สองประโยคกันเองเทศอยู่สองประโยคจึงมีความสุขแล้วก็มีอายุยืน มีความสุขก็มีอายุยืนไกลไปก็ท่านนี่ยนะมันก็หลวงพ่ออะไรที่ขอนแก่นนะอะไรก็ดีหน่อดีหน่อพูดอย่นิดเดียวนั้นเองฮะแต่ทํายากนะดีหน่อนี่เอาจริงมันทํายากอะทํายังไงจึงจะดีหนอได้นี่ก็ท่านบอกให้มีความสุขมีอายุยืนนะแล้วทํำยังไงจึงมีความสุขแล้วจะมีอายุยืนนะมันเอายากนะนี่ว่าถ้าวบารหานะท่านพูดสันส้นๆกันท่านอย่างเงี้ยตรงั้นพออตุลเล้าบาโศกไปนี่โมนเทศท่านไม่เทศโกรธไม่เทศ โยกพวกไปหาภาษาริบุตรไปบอกแม่ไปหาพระเรวัตพระเรวัตนี่น้องภาษาริบุตรนะไปหาพระเรวัตพระเรวัตไม่เทศสารีดบุตรเลยเทพภาษาดิบุตรเนี่ยท่านพูดคือเรียกว่าเร่งกับลูกชาวบ้านไม่ค่อยเป็นนะนเทศแบบเจ้าคุณส ม, มเด็จเราเนี่ยปั๊บปั๊ป๊ปปเลยคือคือหลักทั้งหมดเลยเทศพริบอุบาสกฟังไม่ไหวเทศยาวด้วยอภิธรรม เทศยาวโดวยโอ๊ยไม่ไหวเทศอะไรเทศยาวใครจะไปฟังทันเลยจับท่านโบนอกไปหาพระานนท์ไปบอกว่าพระไปหาพระเรวัตท่ทานก็ไม่พูดไปหาพระสวัสิบุตรเม่เทศที่ยาวจังเลยเทศอภิธรรมฟังยากจังเลยพระานนท์น้องบอกเออเขาไม่พูดนี่ก็ด่าแล้วไปพูดมากก็ด่าอีกเลยท่านเทศน้อยโรสเทศไหนยังกระทองจะร่วมจากปากเลยนะเทศขี้เหนียวธรรมะไอเทศให้มากน้อยก็ไม่ได้ ฟองพระพุทธเจ้าเล่าลูกศิษย์ทั้งสามองค์เนี่ยไปหามาไม่ได้เรื่องสักองค์หนึในเรื่องสักองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็รัชสั่งว่าธุระนี่มันโบราณของโบราณคนก็ด่าได้ทั้งนั้นเนี่ยด่าได้ทั้งคนไม่พูดด่าได้ทั้งคนพูดมากด่าได้ทั้งคนพูดแต่พอประมาณแต่คนที่ไม่ถูกด่าเนี่ยไม่มไม่มีสมมติว่าพระอานนท์ท่านจะขยับไปยาวนะท่านก็หาวาา่าใหญ่อก็ต้องลงว่า เราจะไม่ถือประมาณของคนทุกคนที่จะวินิจฉัยเนี่ยมันยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ถือประมาณเลยนะฮะให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ า, เ, าเราจะฟังเสียงวินยยชนวินยยชนยกย่องหรือวินยูชนส์สรรเสริญถ้าจะอิงวัตถุภายนอกปัจจัยภายนอกต้องดูที่ตัวบุคคลไม่ใช่ว่าใครว่ายังไงเอาตามเลยนะอันนี้ไม่ได้ มีพระทุกวันในท่านเป็นสมพานอยู่ที่วัดอุทัยโพทารามท่านต้องการพิสูจน์อะไรสักอย่างนะท่านให้เด็กทำกับข้าวอย่างดีเลยแล้วก็เรียกเด็กที่วัดนมาชิมมาชิมอั น, นยอด น, นั้นไปออาเติมเติมเติมพอเรียกคนอื่นมาชิมเอาหยอนนั้นไปการนั่นไปก็เติมกันจนว่าแกงนั่งกินไม่ได้เลยทุกคนต้องเติมแล้วทุกคนติดได้หมด แล้วถ้าก็พิสูจน์ให้เห็นมาเนี่ยเราจะตามคนนี่ไม่ได้ถ้าตามคนแลเลยก็ไม่ต้องกินกันไลยแต่จะเรายุติท่าคนเราต้องอวินโยชนแต่ชั้นการอุดมการณ์จริงนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการให้ทานนี่ดีแล้วให้รักษาศีลนี่ดีแล้วรักษาเพรบเห็นประหาร น, นี่ดีแล้วก็ไปกวา้างสมาธินี่ดีแล้วก็ปฏิบัติไม่อิงรู ป, ประรางเลยไม่อิงรูประรรมไม่ว่าใครจะว่าอะไรแต่ไรช่างเขาเราไม่รับรู้ มันจะอยู่ในจุดที่เราเรียกอะไรครับปิดทองหลังองค์พระได้ทําความดีได้ทั้งต่อหน้าคนรับหลังคนเป็นความชั่วได้ทั้งต่อหน้าคนรับหลังคนเพราะเราไม่ได้อิงรูปธรรมแต่เราจะอิงนามาทำนี่คือแนวความคิดที่เราถือว่าเป็นอุดมการของคนที่ปฏิบัติความดีจะต้องไต่อันดับขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะรพอถึงจุดนี้แล้วท่านจะเห็นว่ามีความปร่งเบาสบายมากเพราะเราไม่สนใจใครใด จะไม่สนใจใครก็จะยกจ้องก็จะตันหนีก็เรื่องก็คำแต่ว่าถ้ามันเป็นถูกต้องเป็นความดีความงามเราเราก็ทำเท่านั้นเองโอกาสที่จะทําจึงมีมากทําได้ตลอดต่อหน้าคนรับหลังคนเราทําได้สม่ําเสมอเป็นผู้สม่ําเสมอนะฮะในหมู่ชนที่ไม่สม่ำเสมอและเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงภายนอกเพราะว่าเราไม่เคยให้ความสาคัญแก่แรงภายนอก ทวกชาวกาลามะก็มาเฝ้าโดยความรู้สึกดังกล่าวพอมาเฝ้าถึงลักษณะอย่างหนึ่งของสังคมอินเดียเนี่ยมันแปลกแล้วก็มีทุกข์แข่งเหมือนกั น, เ ป, นเป็นเรื่องแปลกลเวลาเฝ้าใหญ่ๆนะฮะเวลาคนมามากๆเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยจะมีลักษณะสับสนแล้วก็รู้สึกจะวุ่นวายด้วยเราดูภาพแล้วมันน่าจะสับสนวุ่นวาย คือพอมาถึงบางคนเนี่ยเรียบร้อยคือปักใจเชื่อถึงไปแล้วยอมรับพระคุณทั้งหมดเนี่ยคนนี้จะอ่อนน้อมอ่อนน้อมเพราะว่ารู้พระคุณมาก่อนก็บางคนมาถึงก็ถวายบางคมบางคนก็เพียงแต่ผนมมือไหว้บางคนเบ่งหน่อยประกาศชื่อเลยโคดของตนนะคนสมัยนั้นก็ถือชื่อถือโคดนะฮะ โคตรไมว่าพราหมณ์หรือกษัตริย์ก็ตามมันจะมีโคตรเป็นเครื่องหมายว่าโคตรสูงหรือไม่สูงเช่นพวกพราหมณ์เนี่ยมีโคตรเยอะโคตรที่สูงที่สุดของพราหมณ์ก็คือธนัญชานีโคตรเดี๋ยวก็บอกว่าเกิดมาจากกระหม่อมของพระพรบุกษัตริย์นี่ก็คือคือโคตรมรโคตรเป็นวงที่สูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายประกาศชื่อโคตรเนี่ยก็แสดงก่าเบ่งหน่อยนะฮะเบ่งหน่อยเพื่อแสดงมาฉันก็ไม่เบานะ บางคนก็ยืนเฉยก็แสดงอาการไปตามปกติคือตามพื้นความรู้สึกยอมรับว่ยอมรับพ ร, ระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะฮะก็แสดงอาการไปอย่างนั้นในกรณีนี้มันเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องไปทําอะไรอย่างนี้ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านเคยพบในพุทธวัตินะฮะท่านจะเห็นว่าอาการมันก็เหมือนกันแบบนี้มาอย่างเงี้ยคนมากๆ แสดงอาการการรู้รู้สึกจะวุ่นวายพอสมควรแต่ใ น, นที่สุดต้องสงบพอคนหนึ่งเริ่มถามปัญหาเริ่มถามปัญหาว่ามีสมณพราหมณ์เป็นอันมากมาในที่นี้มาถึงก็เชิดชูแสดงวาทะของตนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีหมดเลยตนแล้วเสร็จแล้วก็ไปเหยียบปาทะคนอื่นก็ดื่นแสดงว่ายังไงไม่ดีหมดเลยพวกชุดหลังมาอีกอะ เชื่อชูวัฒนของตัวแล้วก็ยีวัฒน์กว่าหนึ่งนี่แหะตกลงว่ามันสับสนหมดชาวกาลามะเองสับสนหมดเลยแกบอกว่าแกไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะมันพูดน่าเชื่อทั้งนั้นเลยไอคนก่อนวันก่อนนี่มาเนี่ยเพูดน่าเชื่อแต่พอมาถึงอีกคนหนึ่งมาล้มลางวาทะนั้นหมดแล้วก็เชื่อชูวัฒนของตัวเองก็น่าเชื่ออีกอ่ะพออีคนมามาถึงก็บรรล้มของคนก่อนแล้วก็เชื่อชูวัฒน์ของเองก็น่าเชื่ออ เรางมันสับสวดหมดไม่รู้จะเชื่อใครดีทีนี้ท่านทั้งหลายจะต้องมองให้เห็นเป็นภาพนะฮะคือการศึกษาพระไตรปิฎกนี่เราต้องมองเห็นเป็นภาพเราจะเห็นว่าลักษณะทางสังคมของอารยันเนื่องจากเป็นยุคที่เขาสนใจในธรรมจนเผ่านี้จึงมีเขาเรียกว่าสันธาขารสันธาคารเป็นลักษณะศาลานะลักษณะศาลาเป็นที่พักเป็นที่ประชุมศาลาประจําหมู่บ้านคล้คายกับศาลาประชาคมในปัจจุบันเะน คนจะมาประชุมกันในที่นั้นเพราะงั้นนักบวชไปก็จะไปที่นั้นเพราะคนมารู้ว่านักบวชไปก็จะไปประชุมอยู่ที่นั่นแล้วก็ทําให้เห็นว่าลักษณะของเกสปุตตนิคมเนี่ยมันคล้ายๆกับอะไรสีกักอะไรเนี่ยกลาๆกล า, ลาบางลําปูไอ้ซแคร์สีแยกบางลําปูนเนี่ยฮนะคือคนไปทางที่นั้นที่นี้มากันด้วยแล้วก็คนก็ไปฟังกันด้วยแล้วก็แสดงวาทศกันด้วยจนพวกชาวกาลามะนั้นมีความสับสนหมดเลย หน้าฟังหน่าเชื่อถือทางนั้นแต่ว่ายังไม่ปฏิบัตินะเพราะว่าพอเริ่มจะปฏิบัติแล้วเพื่อนมาล้างโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องของฉันต้องอย่างนี้อย่างนี้แสดงขวาทะกันไปก็เลยก็เดินทางไม่ถูกสักทีหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าเป็นเทศนาโวหารคือทรงฉลาดทรงฉลาดในโวหารในการเทศท่านทั้ ง, ทงหลายเห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาไม้เดียกับเขานะฮะจบเทศไม่ได้ ไม่เถบอกเออพวกเธอสงสัยถูกแล้วความสงสัยของพวกเธอเป็นการสงสัยในเรื่องที่ควรสงสยัยแล้วก็เสร็จแล้วกาลามาทั้งหลายพวกเธออย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาอย่าเชื่อโดยฟังสืบสบกันมาอย่าเชื่อว่าเป็นของเก่าอย่าเชื่อโดยการตรึกนึกเอาเองอย่าเชื่อกันโดยคาดคะเน อ, อย่าเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการนะฮะ ก็เห็นอาการแล้วก็ก็น่าเชื่อคือบางทีมันไม่น่าเชื่อเราจะเห็นว่าบางทีคนที่ทำประโยชน์เพื่อตัวเองยังใกล้ๆกับไอ้นายพลานที่ต้องจะจับสัตว์เนี่ยมันลักษณะสงบเสงี่ยมยิ่งกว่าพระตเองนะครับเข้มสงบเสงี่ยมนั่งนิ่งเลยนะเต้นพันจ้องจับสัตว์นะนายพลานจ้องจับสัตว์เนี่ยสงบเสงี่ยมไหวไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ เช่นพวกไปต่อนอกเขาอะไรเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนนิ่งเลยนะสงบสิ่งแอบถ้าเราดูตารรมอาการโอ้โหคนนี้เคร่งจังเคร่งจังเดาไม่รู้ก็มันมีลักษณะดูอาการเอาไม่ได้เราต้องรู้อย่างอื่นด้วยตึกนึกก็าตามอาการก็ไม่ได้หรือว่านึกเดาออกก็ไม่ได้หรือว่าเออไอคนนี้มันพูดตรงกับความเห็นเราไ อ, อความเห็นเราไม่แน่มันถูกหรือเปล่าพอใครมาตรงกับเราเราถือเออถูกถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ หรือว่าอะไรหรือว่าเออคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือก็ไม่ได้ไปเชื่อถือไม่ได้คือหมายความว่าเราจะเชื่อทันทีไม่ได้นะฮะเชื่อทันทีไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะประโยคทั้งหมดเนี่ยต้งใช้คำเนี่ยเพื่อให้เท่านั้นเองคือไม่ใช่ว่าเชื่อโดยทันทีแต่ว่าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในชั้นของการฟังเราก็คารมมติของผู้พูดแต่ว่าการจะเชื่อถือนั้นเราต้องนำอาการกรองนะฮะ ทำการตองนํามาพินิษฐพิจารณาอีกทีหนึ่งวิธีแสดงพระพุทธเจ้าก็แนวนี้อย่าเชื่อแม้แต่ว่าคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่เราลองดูนะฮะไอ้หลักที่ว่าไม่ควรเชื่อ10บข้อเนี่ยในแง่เป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราเชื่อกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยแหลงความเชื่อมาจากไหนฮะมันก็มาจาก10ข้อนั้นนั่นแหละมาาันจะ10ข้อนั้นมันไม่อื่นไปได้เราลองดูนะฮะว่าแหล่งความเชื่อที่ทางาศาสนาพุทธเรายอมรับเนี่ยมันจะมีสามแหล่ง แรื่งหนึ่งคือประสบการณ์ตรงหมายความเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสุดลมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ตึกนึกด้วยใจเราเชื่อถูกต้องยุติไหมไม่ถูกต้องนะว่าจริงมีบ่อยไปที่เราเดินไปกลางคืนบางทีไปเหยียบเอาเชือกนึ่วังงูก็ขนาดสัมผัส ด, ด้วยตัวเองยังยังผิดเลยยังผิดเลยครับมองคนไกลๆไปทักก็ผิดก็แสดงว่าตาเราก็จริงก็ใช่ไม่ได้ แม้แต่ประสาทสมัมผัสเองนั้นเราอยอมรับแหล่งความเชื่อแต่ไม่ใช่ปรองใจลงไปเลยเพราะอะไรเพราะเราดูตามอาการไม่ได้หรือว่าตัดสินโดยประสาทสมัมผัสไปได้จะต้องผ่านข้าโยนในสวนมนุษการหมดได้จะต้องนํามาวิเคราะห์หมดเลยนี่คือประสาทสัมผัสนะฮะเาเรียกประจักรประมาณคือโดยการประจักรเป็นแหล่งความเชื่อ อ, อีกแหล่งหนึ่งแต่ไม่ใช่รับทั้งดุ่นนะไม่ใช่รับทั้งรุน่นจะต้องนํามาย่อยแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งเขาเรียกว่าอนุมาน อนุมานเอาก็เช่นสมมุติว่าคนนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ว่าเขาเขาใจดีครับพออนุมานเราได้แต่ไม่แน่นะบางทีไอ้คนหลอกขายพระขายอะไรตวไรวอรโอมันดีจังกันนะหน้าตาดีจังกันแต่สร็จแล้วมันก็หลอกเขาแย่ไปนี่เมื่อวันก่อนนี่อะไรเป็นหลอกก็ตั้งเท่าไหร่เมื่อเช้านี่เมือม่อเมื่อคืนวานนี่เองอที่เขาลงข่าวไอ้วิทยุมาออกว่าไปหลอกต้มขายพระตั้งเท่าไหร่สี่แสนกว่าโอพระเก่าโบราณอะไรตรายอย่างนั้นนะ มันก็พูดหวานพูดเพราะหน้าตาเป็นมิตเดียอนุมานเอาฮะอนุมานก็เป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความมารยอมรับทั้งหมดเหมือนกันอนุมานเอาเช่นอะไรฮะตามปกติเราเราเคยเห็นถ้าถ้าถนนเปียกแล้วก็ฝนตกเรานอนหลับตื่นขึ้นมาเห็นถนนเปียกเราอนุมานเอาฝนตกแต่ไม่แน่บางทีเทศบาลมาฉีดก็ได้การฉีดนะแต่ก็ถือว่าเป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งฮะที่จะนํามาตั่นกรองได้ จะนำมากั้นกรองได้เป็นแหล่งความเชื่ออย่างหนึ่งแหล่งอย่างหนึ่งก็คือตำหนับตํำราต่างๆหลักฐานต่างๆทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์เอกสารต่างๆนี่เราถือเป็นแหล่งความเชื่อแต่ยุติได้เลยไหมมันไม่ยุติทั้งหมดนะไม่ยุติทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าต่อเมื่อใดพวกเธอมาเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้เมื่อบุคคลทําไปแล้วมีโทษท่านผู้รู้ติตเตียน ทำตนเองให้เดือดร้อนทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความทุกข์เมื่อเธอพิจารณาเห็นแล้วจงเว้นสิ่งเหล่านั้นเสียเสร็จแล้วก็ยกเอายกเอาโลภะความโลภโทสะความมาัทุสไรมุหะความหลงขึ้นมาถามทีละข้อเอาโลภะโลภะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้น ฆ่าสัตว์ถือสิ่งของจะเอาของเข้าไปในให้ประพฤติผิดในการยกมาสามข้อนะยกศีลข้อศีลห้านะแต่ยกมา3ข้อแล้วก็ยกกิเลสมา3าก่องจะทําให้เขาฆ่าสัตว์หรือสิ่งของที่จ้าของเข้าไปในให้ประพฤติผิดในการใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนนะเบีย ด, เ บ, ยดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไหมใช่ไหมายนะฮะ ใช่มอาจารยเขาบอกว่าใช่แล้วก็ท่านผู้รู้ติเตียนให้ไหมใช่เพราะฉะนั้นสิง่งนี้ควรเว้นหรือควรผลิตเขาบอกควรเว้นแต่ท่านทั้งหลายลองดูนะฮะว่าโทษของปานาทิบาตอธินนาธานการมิสุมิชฌาจารย์โทษของความโลภความโกรธความหลงกาลามาทําไมจึงตอบได้ก็เพราะแกะได้ยินได้ฟังมามีคนแนะนําสั่งสก็แหล่งความเชื่อมาจากสิบแหล่งนั้นมาจากสิบแหล่งนั้น พระพุทธเจ้าคล้ายๆกับลักษณะอะไรคล้ายๆกับพวกนี้แบกแบกไว้แล้วก็ปรงมาหยิบดูมันอะไรที่ว่าใช้ได้คล้ายๆก็ถือเข่งใส่ขององเนี้ยแล้วก็ไม่เอากินสักทีหนึ่งอ่ะก็วางเข่งลงมาดูซิอะไรมันกินได้อะไรกินไม่ได้ก็หยิบของในเข่งนั้นเองอ่ะไม่ได้หยิบมาจากอื่นเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มาสรุปเรื่องไม่ควรเชื่ออีก ส, สิบข้อเนี้ยยกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะยกอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็ยกเอา อโลพะอโทสมาโมหะคือความไม่โลภไม่โกรธไม่ดมนะว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่ดมเนี่ยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วทําให้บุคคลนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือสิ่งของได้เจ้าของก็ไม่ได้ให้ม่ประพฤติปิดกรมใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเขาย่อมไม่กระทําตนเองให้เดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนใช่ไหมใช่วินยูชนยกย่องหรือวินยูชนยกย่องใช่ไหมใช่ข้อนี้ควรเสพหรือ ใช่ไหมแกวก็บอกว่าใช่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าก็ยกเอาสิ่งที่เราได้ยินในฝั่งนั้นเองมาวิเคราะห์อีกทีแล้วพระเจ้าก็มาสรุปอีกทีวันเนี้เราจึงกล่าวว่าไม่ควรเชื่อเพราะเหตุอย่างนั้นสักว่าอย่างนั้นอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นว่ามาตลอดแต่ว่าไอหยิบสิ่งเหล่านั้นมาคิดมาใตร่ตรวงพูดง่ายๆว่าเขาส่งผลไม้มาโลกหนึ่งนี้ฮะมาให้เรากินนะแต่ไม่ใช่เรากินได้ทันทีก็ต้องลงมีวิธีกินนะ เขาบอกว่าอย่า ก, กินมังคุดทั้งเปลือกแต่ว่าเวลาก็ส่งให้เรารับทั้งเปลือกนะรับมาทั้งเปลือกแต่ว่าเวลากินนั้นคืออีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะให้ดูว่ากาลามาสูตรเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ก็มาสรุปเรื่องไม่ควรเชื่อต่อไปอีกทีนะฮะอีกอีกครั้งหนึ่งไอ้คำว่าไม่ควรเชื่อไม่ควรเชื่อเนี่ยแสดงทีเดีย4ครั้งนในในประศูตร์แสดงถึง4ครั้งด้วยกัน แล้วเมื่อท่านเหล่านั้นเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเห็นผลของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็มาพระเจ้าก็มาสรุปชี้ประเด็นว่ากาลามะอริยะสาวกทั้งหลายอริยะสาวกก็คือสาวกของพระอริยะนะฮะหรือว่าพระสาวกที่เป็นอริยะแล้วก็มีอยู่สองชั้นนะฮะอย่างพวกเราก็เรียกว่าเป็นสาวกของพระอริยะแต่ยังไม่เป็นพระอริยะ ก็ท่านที่เป็นแล้วก็เป็นไปแต่ว่าบางคนสรุปว่าเราก็เป็นสาวกของพระรยะพระทรงแสดงว่าสาวกของพระรยะนี้ได้มีได้แผ่เมตตากรุณามุทิตาเวกขาคือสอนเรื่องพระมิหารนะว่าแผ่ไปในทิศทั้งหลายทั้งเบื้องตามเบื้องบนเบื้องขวางในทิศทั้ง10บนะสิคือคือคือว่านับรอบรอบตัวแล้วก็เบื้องบนเบื้องเบื้องตามตัวก็ แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยเมตตากรุณามุติตาเบคาพวกนั้นจะจะอะไรฮะก็คือขจัดความโลภความโกรธความหลงใจจะอยู่ด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนไม่ปบุธสรายใครด้วยการปฏิบัติในาย่านนี้แล้วสรุปในตอนสุดท้ายนะฮะสรุปในตอนสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะสมข้อนี้ แล้ไม่ใช่สี่ข้อนี้คือเอมตตากรุณามุทิตาเบกขาแล้วถ้าหากว่านะถ้าหากว่าผลบุญผลบาปผลบุญผลบาปนีนนนน่ไม่มีคือหมายความว่าถ้าหากวันนรกสวรรค์ไม่มีนะพูดง่ายๆอย่างนั้นจะได้ความอุ่นใจทรงใช้คำว่าความอุ่นใจในเราเราจะได้4อย่างแต่โดยสรุปสองอย่างนะฮะโดยสรุปสองจากหมายความว่าปลารบเรื่องกรรมเนี่ยชุดหนึ่งปลารบเรื่องเออสวรรค์นรกนี่ชุด ให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การทําดีแล้วไอ้ตัวทําดีในที่นี้ต้องยกไม่ตากรูณาโมทิตาเวขาขึ้นเพราะถ้าเรากระทําความดีแล้วสมมติวันนรกสวรรค์ไม่มีนะสมมติวัานรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไม่มีเราตรวจดูแล้วเราไม่มีเวรมีภัยกัใครในปัจจุบันเพราะเราไม่ได้คิดร้ายใครเลยเราก็อยู่สบายในเรื่องนี้ยสมมติวัานรกสวรรค์มีเราตายไปเกิดสวรรค์ ตายไปเกิดสวรรค์ฮะเพราะงั้น เ, เราจะเห็นว่าในแง่ที่เรามีจุดยืนอยู่ที่กุศล ก, กรรมโดยไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งประเด็นนรกสวรรค์มีไม้พรมโลกมีไม้ยุ่งปเปล่าเสียเวลาเอาเฉพาะปัจจุบันนี่ฮะตัวปัจจุบันจะเป็นตัวกําหนดมันเองถ้าเรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทําดีสมมตินรกสวรรค์ไม่มีเราก็ไม่ตกนรกเราสบายในปัจจุบันถ้านารกสวรสด์มีเราในปัจจุบันเราก็ไม่เดือดร้อนนะฮะ แล้วก็ตายแล้วเกิดสวรรค์ได้สองต่อนะดังนั้นความก า, การกระทําความดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันเราเห็นกันอยู่สมมติใหม่สมมติใหม่ว่าท่านเราสวรรค์มีแต่ว่าคนทําความชั่วนะฮะคนทําความชั่วเกิดเกิดไม่ไม่ตกอยู่ภายใ ต, ต้อานาจของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทําความชั่วถ้าผลบุญผลบาปนี่นะ ถ้าผลบุญผลบาปมีก็ตกนรกแล้วก็เดือดร้อนในปัจจุบันเดือดร้อนสองต่อนะฮะในชาติปัจจุบันเราเห็นได้แล้วก็ถ้านรกสวรรค์มีตายไปตกนรกอีกเสียสองต่อถ้าหาว่านรกสวรรค์ไม่มีผลบุญผลบาปไม่มีนะฮะบุญผลบาปความีนรกสวรรค์ก็ไม่มีเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันเราก็เห็นกันอยู่ในคนฆ่าสัตว์รังทรัพย์ประพฤติปิดกามก็เดือดร้อนในปัจจุบัน ก็สอนให้คิดเอาแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมองกันให้ตลอดสายว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแต่ให้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาย่อยนำมาพินิจพิจารณาเท่านั้นเองนี่คือหลักของกาลามาสูตรพอทรงแสดงเสร็จชาวกาลามะบกโอ้ัยเราะยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะเพราะไม่เคยเจอเทศแบบนี้คือเทศแต่ให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อให้เชื่อเชื่อเชื่อชื่ออนี้ไม่ให้เชื่อแต่ให้คิดให้คิดนะฮะ ท่านล อ, ลองดปูปัญญาสองชั้นนะฮะพวกคนอื่นก็สอนระดับสุตะแต่ให้เชื่อโดยสุตะโดยการฟังพระพุทธเจ้าให้เชื่อโดยการคิดเป็นการพัฒนาปัญญาขึ้นอีกชั้นหนึ่งให้นำมาคิดเสก่อนการสอนพ ร, ระองค์เองก็ต้องคิดก่อนพระนเรศบอกไพเราะยิ่งนักการแสดงธรรมะของพระองค์นั้นเหมือนกับงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางซองประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีตาได้เห็นแสงสวา่าง นี่เป็นคําชมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทุกแห่งนะฮะท้ายประสูนธ์ถ้ามีการชมแลาจะชมอย่างนี้เป็นชมโดยอุ ป, ปมาเพราะมากนะเหมือนหายของที่คว่ของคว่ำเนี่ยเราไม่รู้อะไรพง า, ายปั๊บเรารู้เลยเปิดของที่ปิดของปิดเราก็ไม่รู้พอเปิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็บอกทางแก่คนหลงทางคนหลงทางก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนเราบอกให้เขาก็รู้ทางซองประทีปเข้าไปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นนะฮะ ซึ่งแสดงว่าในพระพุทธศาสนานี่คนเราจะ ต, ต้องมีดวงตาถ้ามืดบอดแล้วก็ไม่เทศโปรดเหมือนกันแหละไม่เทศโปรดเหมือนกัน เ, เ, ร เ, นนเพราะว่าพระเจ้าสอนเฉพาะพุทธเวไนยเท่านั้นเองคือคนที่จะพอพูดกันรู้เรื่องเท่านั้นนี่ก็คือคําชมพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าลักกาลามสูตรนั้นถ้าเราจะอ้างรักจะอ้างนะต้องอ้างให้ตลอดและต้องอ่านให้ตลอดด้วยไม่ใช่เอาไปอ้างเอาเฉพาะครั้งหน้า ก็เหมือนกับไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พ่อมันประพฤติผิดศีลในสามข้อแรกนี่มากนะพ่อเขาบอกกันไปฟังเทศฟังพระเจ้าเทศสิบ้างไอ้นหนุ่มนี่ไปก็พอดีได้จังหวงะพอดีพระกำลังเทศ่ังศีลหาการฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีรรประพฤติผิดในกรมก็ดีแกได้ดีสามดีวิ่งกลับบ้านเน่ยพอพ่อพ อ, พ อ, พ อ, พอที่ผมทำในพระว่าดีสังนั้นนึ่งไอ้นี่เขาเรียกฟังไม่ได้สับ แล้วจับไปกระเดียดปัญหาที่นํามาอ้างกันจึงสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดคือการลามาสุดทั้งทังที่เป็นประศูนย์ที่ทรงสดแสดงขั้นของการใช้ปัญญาแล้วก็เป็นประศูนย์ที่มีกฎมีเกณฑ์นะฮะไม่ได้ไม่ไม่ได้ห ม, ม, ม, ม, มายความปฏิเสธเลยคนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้เถะพระไตรปิฎกก็เชื่อไม่ได้ใครแนะนําอะไรเชื่อไม่ได้หมดเลยจะเชื่ออะไร ป, ปัญหาว่ารับมาฟังเขาส่งผลไม้มาเราก็ดูเออมันจะกินยังไงอาหารนี่กินยังไงฮะแต่ก็กินอาหารนั้นแหละอาหารที่เขาส่งมาให้นะมันกินยังไงกินให้เป็นนี่ก็คือการใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์จนเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยใจของตนเองซะก่อนแล้วนําไปปฏิบัติซึ่งซึ่งเป็นการเสริมสร้างปัญญาระดับจินตามะยะปัญญาสำหรับคนที่มีประสบการณ์ตรงอย่างนั้นนะฮะ ประสบการณ์คือเขาได้ยินได้ฟังมาเยอะพวกกาลามะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่นั้นเองคือสรุปว่าแกยังไม่เอาไปย่อยแต่นั้นแกมีอยู่แล้วพระเจ้าก็สอนให้ย่อยแต่เอาปัญญาเข้าไปย่อย่านั้นเองนี่ก็เรื่องกาลามัสูตรนะ